พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13ปาระสูต์ที่9พระหุเวทานิยสูตรสูตรว่าด้วยเวทนามากอย่างพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนารามช่างหมายชื่อปัญจังคะกับพระอุทายีกล่าวไม่ตรงกันในข้อว่าพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้กี่อย่าง พระอุทายีว่ามีสามอย่างคือสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขช่างไม้ชื่อปัญจังคากล่าวว่ามีสองอย่างคือสุขกับทุกข์ส่วนไม่ทุกข์ไม่สุขพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุปราณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถจะตกลงกันได้พระอานนุ์ได้ฟังข้อสนทนาของทั้งสองฝ่ายจึงนำความกราบทูลพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระภาคตรัสว่ามีปริยายที่ต่างฝ่ต่างไม่อนุโมทนาแล้วตรัสว่าเวทนาสองก็ส่งแสดงไว้โดยปริยายเวทนาสาเวทนาสีเวทนาหาเวทนาหกเวทนา18เวทนา36เวทนา108ก็ส่งแสดงไว้โดยปริยาย ธรรมะที่ส่งแสดงไว้โดยปริยายคือเพียงแงใดแงหนึ่งมีอยู่อย่างนี้ผู้ที่ไม่ยินยอมรับรองคำที่กล่าวดีพูดดีของกันและกันในธรรมะที่ส่งแสดงแล้วโดยปริยาย mm. ก็หวังได้ว่าจะบาดหมางทะเลวิวาทกันทิมแทงกันด้วยหอกคือปากแต่ถ้าตรงกันข้ามก็จะพร้อมเพรียงไม่วิวาทกัน เป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำท่าที่เข้ากันได้มองกันและกันด้วยดวงตาที่แสดงความรักครั้นแล้วตรัสถึงความสุขที่เป็นขั้นขั้นสิบอย่างที่ประนีตขึ้นไปกว่ากันโดยลำดับเริ่มแต่การมาคุณห้าจนถึงสัญญาเวทะาิตะนิโรธคือสมมาบัติที่ดับสัญญาและเวทนา